มก็เหมือนกันกับอาหารเนี่ยร่างกายยังมีอยู่แต่อาหารสีงนี้เราเคยทานวันนี้ก็ทานวันนี้ก็ทานก็ไม่เห็นลำบากลำคาญแต่การฟังธรรมะบางสั่นบางคนก็อาจจะเกิดลำคาญทำไมเสีย ด, ดีบ่อยพอะมันจำเป็นที่จะต้องพูดที่จะต้องคิด ที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันกับวัดของเราปัดกวาดอยู่บ่อยแต่มันก็รกอยู่ใบไม้มันตกมันหล่นลงมาอยู่เลือดการเป็นต้องไปปดิบัตาความสะอาดใจ้เหมือนกันการทำอาหารมันก็เหน่อยเหนื่อยเหนื่ยวเหนื่อยกำลังที่จะทําการทํางานอะไรได้ ส่วนธรรมะก็ทำนองเดียวกันจำเป็นผีพวกเรานัปฏิบัติจะนำมาฝึกหัดนำมาที่นีที่เจ้านธรรมะแกไขยุ่งเหยิงปัหาของใจยบ่อยเท่าไรในคิดแต่ามใพอใจความเกียดชังความในยินดีในเรื่องของธรรมะนั้น มันก็มีเป็นธรรมดาสำหรับคนที่มีกิเลสปัญหาแต่ผู้ที่ทมีธรรมะอยู่ในตัวแม้พระผู้ใจเจ้ากินีิเลสเป็นศาสดราเป็นผู้ที่นาธรรมะมาสอนโลกท่านก็ไปใชเคี้ยบางครั้งบางหนวยังใหพ้พระอื่นมาพูดธรรมะให้ท่านฟังเพื่อเป็น สัมโมสัิยาตัฏฐาหรือทางความรุ่นเริงของใจอย่างคอยจินเทระมาสูตรธรรมะในเวลาที่ทันอาภาดเป็นตัวอย่างหมายถึงพู้ใจจ้างแต่ไม่เคยเดือดหน่ายเรื่องของธรรมเราใช่อิสุนิจเดือดปัญหาท่วมทับจิตใจแต่พอไม่คอยจะยืดเดือบใสไม่คอยจะยินดี ในเดือนธรรมะพอจะพูดธรรมะบางสัปาหบางคนก็เกิดมีธุระอันนั้นจําเป็นอันนี้หนีไปแต่ไปดูหนังฟังเพลงต่างๆที่มีธุระอยู่กปล่อยปละละเลยไปละแต่เมื่อจะฟังธรรมะถือว่าธุระที่เหลือยู่ที่ทำอยู่จําเป็นนี่คือคนมาเห็นอันนี้งสงขงเดือนธรรมะ คนที่ไมนมี่เห็นอานิสงส์ของเรื่องธรรมะไม่อยากปฏิบัติธรรมะถ้าจะเปรียบกับคนไข้ก็เหมือนคนไข้ที่ไห่รับยาไม่ทานยาไม่ทานยาไม่อยากรักษาในโรคไ ข, ข้างตัวหายคนแบบนั้นหมอกงมีทางที่จะรักษาเอายาให้ัางคงดื่มไม่ทาน ยาเยู่อเสพยาคนไม่ทานให้โรคภัยในกายมันก็ไม่หายให้ผลที่สุดคนนั้นก็จะต้องเป็นทุกข์ถึงกับชีวิตหนึ่งํำนองเดียวกันธรรมะของพระพุเจ้าที่พวกเราเคยศึกษาเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ถ้าขี้เจียดไม่เอาใจใส่ไม่นำมา ที่ิตรเจนาทับไหลอย่างที่เหลือปันหาจิตใจที่เคยชั่วช้าเสียหายตกตะกนมันก็ยังคงเส้นคงวาอยู่หรือกำเริบขึ้นก็เลยอยู่ในสาานาไม่ได้ในยินดีเดือมใสที่จะปฏิบัติแกใสจิตใจของตนคอยังมนเห็นคุณค่าของธรรมะแจะมนเห็นคุณค่า ของจิตใจที่ปราศจากอารมณ์ท่านยาคิดเหตหุตัณหาเดยไปพิสูจว่าอย่างนอกนอกรชบาโลกหรือสารโลกทั่วไปเขาเล่นเขาเพลนเขาเหลื่อมใสเขายินดีนั้นเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมะแต่นั้นเช่งไมมนี่ ความยินดีหรือมีความเดือบใส่หรือมีความเต็มใจคนแบบนั้นที่พระเจ้าเจ้าทานก็ไม่มีปัญญาสามารถที่จะแช่ไขเขาได้เพราะเขาไม่รับยาไม่ทายาถึงหมอจะยืดยืขนาดไหนก็รักษาไม่ได้โลกนี้รับยารักษาไม่หาย มีพวกเราถ้าหากจะจัดเข้าในพวก โ, โรคเพราะว่าเพศียังรับยาอยู่ยังยินดีมีศรัทธาอยากจะรักษาตัวของตัวบางท่านบางคนก็เคยเห็นอั น, นิสงส์ในการจะทำบำเพ็ญมาแล้วเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของจิตใจ ถึงจะลำบากยากยุ่งเหนื่ยเหนื่อยเหื่อยหิวฝูสะพยายามกำจัดทีนี่เจภาวนาลใจของตัวไม่ได้มากขทำน้อยตามโอกาสเวลาอำนวยให้ไม่เคยปล่อยปละเลยแต่เหนื่อเหนื่อยเมื่อหิวขนาดไหนก็สพยายามสำลัใจเชี่ก่อนจึงพักผอนนี่เป็นธรรมดา ผู้ที่เคยเห็นอันนี้สงของธรรมะคะเราเดี๋ำละจิตใจแล้วหลับนอนพักผ่อนนั้นมันกงมีความสุขมีความสบายในิตัวเองว่าวันนี้ไม่ได้ไหว้พระไม่ทำวัดไม่นังภาวนาอะไรนอนเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนหมูไม่ได้ทราบเลยว่าเดี๋ยวทำะจิตใจ ในเด็กตั้มนิตัวอย่างนั้นถึงจะเหนืห่อยหนึ่งหิวกุศาพยายามํำระจิตใจเชื่อก่อนจึงควรพักผ่อนแต่คนหยุดเคยในการหลับการ น, นอนเคยชำระจิตใจของตัวมันจะสฉื่ใจเสีย อ, อย่างไรถึงเวลานอนก็นต้องตราบรงไว้ไปตร ง, ตตรงแล้วลึกนึกถึง พุทธธรรมสงอะไรก็อยู่ไปแดดสัตถ์ถึงรูปร่างทางตัวจะเป็นมนุษย์แต่สัตว์อื่นที่นั้นจะเป็นมนุษย์อย่างชายนั้นจะนอนมันก็ยังพวกเข่าลงเชี่ก่อนถึงคอยนอนลงมีมนุษย์เรามนอย่างนั้นล้มตูมลงไปทีเดียวมันยิ่งกว่าสัตว์ไปเยออีกฉะนั้นเมื่อเรามีธรรมะ จึงจะต้ชำระซักฟอกจิตใจของตัวจิตใจที่ชั่วที่เสียที่วนทีวายเวลาจะพักผ่อนหลับนอนต้องกําจัดขับไล่อารมณ์สัญญาส่วนชั่วช้าลาโมกออกไปให้ใจสงบใจเย็นเชื่อก่อนไใจสบายใจสะอาดเชื่อก่อนจึงถอยหลับถนอนไปเวลานอนหลับไป มีฝันมันก็ฝ mm. mm. ันแต่ในทางที่ดีมีความสุขเป็นมงคลไม่เป็นอัปมงคลเจ็ดตนแต่เหื่อไม่เหนื่เหนื่อยหิวเกนเกินเหยียนผลูซาพยายามิจารณาธรรมพยายามตามความเปียนหรือบางที อยูด่ดีๆไม่มีการมีงานทางนอกมันก็เกิดขึ้นคเหยียดช้านต่างๆถือว่าวันนี้ข า, าันไม่ค่อยจะเหมาะจะดีให้ไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากนั่งภาวนามันเป็นในจิตในใจทั้งที่ไม่มีการงานด้านอื่นอะไรมันก็เกิดขึ้นคิดปขึ้นไม่อยาก เพียนภาวนาเพราะฟังเสียงของกิเลสตัณหาฟังเสียงของมานมันจะคิดภายในร่างกายในใจจะเหมาะดีในใจมีกําลังดังนั้นอย่างนี้แจ่ผู้ที่จะได้สติปัญญาได้ธรรมะสอนใจนั้นการยอมฝ่าฝืนบางครั้งบางหนถึงจะลําบากทุกข์ยากขนาดไหน เหนนือยิวขนาดไหนเราเคยหลับเคยนอนเคยพักเคยผ่อนเคยขบเคยฉันเก็บเน็ตเก็หน่วยมาเป็นระยะเวลายาวนานทาความผาดความเียบทางจิตทางใจก็ไม่เจ็ไปมีแต่ความหยุดชันไดอาทานให้มันเป็นยังไงเราจะดัดกันดานของมันต่างหน้าต่างตาอธิษฐาน จะนั่งตลอดคืนก็มีบางลั่งบางหนบางขนบางคนบางคนคนจะเดินยกยมตลอดคืนถึงจิตใจมันจะว่าวุ่นไปตามเรื่องอื่นก็ตามมันแต่เราจะทำความเพียรบูชาพระตัตนตใจตั้งใจทำอยู่อย่างนั้นปฏิฐานอย่างไรไม่เคยเอามือเขียนเท่าลบ รักษาปัจจัยทองตัวทีสั่งเอาไว้สั่งเอาไว้มีเส้นเหลืองดัดสดานสันเสียดกาทองใจทุกทัทุกคนผิ่เคยฝึกฝนเคยเคยปฏิบัติาทมากาคุยการเคืเียเราทาไปเ๋ยวาาใจใส่มันในดี ระยะนี้มันก็ดีระยะหน้าถึงไมเ่เจนอะไรให้ในขณะเวลาที่เราทํานั้นเราก็ไม่ีําหนิตัวได้ว่าเราเกี่ยวเรื่องของกิเหลือปัญหายิ่งกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนความจริงมันไม่เห็นในปัจจุบันแต่มันก็นุนกันไปเหปงั้นเราเดินทางเจ้านี้หนุนเจ้านั้นกจ้านั้นหนุนเจ้านี้ผลที่สุดก็ถึงจิด หมายปลายทางได้เยอะๆทานอาหารคำนี้หนุนคำนั้นหลายคำเข่ามันก็อื่มมีการทำความผ่าความเพียนการบังคับจิต บ, บังคับใจก็ทานองเดียวกันให้ตั้งหน้า ต, าตาาั้งตาแต่ทำบำเพ็ญอย่ไปถอดทุละที่เลสปัญหาเราอยู่อวิโยบดใดมันก็เกิดได้แล้วจะหลับจะนอนมันก็ยังเกิดได้ ยังขวัญไปในทางสวดทางเสียก็มีลหลังอยู่ยืนอยู่มันก็เกิดได้มีการรักษาใจการมีสติมีธรรมลึไใ น, ในในตัวก็ต้องสั้งหนะ้ารักษาอยู่อารมณ์ส้น ญ, ญาอะไรผ่านม า, าเหมือนแผลยามรู้ คนเขา้าคนออกสมควรจะให้เขา้าก่อนอนุญาตให้เขา้าสมควรจะให้ออกกอนอนุญาตให้ออกออกไปนําสิ่งของเสี่งชา้ามีคุณค่าหนีไปจากบ้านของเราหรือไ ม, ม่เขามานําอะไรมาให้หรือจะมาเป็นเงินเป็นมานเป็นเงิน เ, เป็นไทย แก่บ้านแก่ช่องทั้งตัวปุถินีปัญญามีธรรมะมีสติรักษาเป็นอย่างนั้นอารมณ์ขี่ออกไปทางนอกถ้าหาเป็นอารมณ์ดีขี่แกเกิดปัญญาละกิเลสท่านก็ส่งออกไปคิดออกไปเพื่อจนได้ปัญญามาสอนใจท้องตัวอารมณ์ขี่เข้ามาก็เหมือนกัน ถายดีกว่็อนุญาตให้เข้ามาทีนี้คือแกนะาะแกไขจิตใจที่สั่วเสียให้สว่างสวัยให้สงบเย็นลงไปหมาว่าออกทางนอกหรือเข้ามาถ้าเป็นทางผิดเสียหายเป็นภัยอันตรายก็ห้ามเอาไว้มีหมายถึงสติเป็นแสกยามรักษาใจในอย่างนั้น ใครอยากจะเข้ามาก่อนอ น, นุญาตใครอยากจะออกไปเขาจะนําอะไรออกไปจากบ้านจากช่องกรมีสวดตาพี่เจนนะคนแบบนั้นรักษาสมบัติไม่ได้ของในบ้านต้องคิดหายเราปลูประเพณีปฏิบัติทางธรรมะกว่าธรานองเดียว ก, กันจะต้องมีสติอยู่ทุกระยะทุกเวลา พออารมณ์สัญญานั้นมันเกิดขึ้นได้ทั้งที่เราอยู่คนเดียวทั้งที่อยู่กับหมู่คณนนะไม่ว่านั่งไม่ว่ายืนไม่ว่านอนวหวเดินมันเกิดขึ้นได้แต่อารมณ์ที่มาทั้งคมกับใจเป็นอารมณ์อะไรนั้นเป็นเรื่องของทุกท่านจะกำหนดที่จกมาหากมันไม่สมควรจะให้เขามา ฝอหักห้ามเอาไว้ไม่ต้องควรทิ่จะให้นั้นออกไปกอหักห้ามเอาไว้ทำให้นั้นถูกทำให้มันดีมันจึงจะดีได้จิตใจจะดีไม่ใช่ในทำอะไรมันจะดีขึ้นการปฏิบัติจิตใจเป็นเรืเ่องสำคัญมากยิ่งกว่าการปฏิบัติสิ่งอื่น เพราะจิตใจนี้เป็นของที่มีคุณค่าสูงคนเราจะดีจะชั่วเพราะเรื่องของจิตของใจจิตใจที่จะดีจะจะเริญจะสุขจะส ง, กองอบก่ต่องอาสัยรักษาต่องาสัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนเอาไว้ นำมาสอนใจของตัวที่เจนากับที่เจนาได้หากวันไปในทางอัดทางทำหากมันไปในทางโลกมันเกิดทุกข์เกิดโทษทั้งทางจีเราอยู่ในป่าในเขาไม่มีอะไรมารบควนเกี่ยวข้องกับเราจะอารมณ์ผ่องใจที่เราปลงออกไปคิดออกไป ในทางขั้วทางเสียทิ้งสิ่งนั้นไม่มีอยู่ในสถานผืนนั้นหลวงเลยมาเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปีกว่อนตามมันก่อเกิดกําหนับยินดีมันก็เกิดโกล่ขึ้นได้ถ่าขึ้นไปในทางขั้วทางเสียทางสี่จะสงบเยือกเย็นเมื่อมันจึงมันคิดไปแบบนั้น มันเป็นทางในเหมาะสมให้เกินไปเพสียการสะสมกิเลสเราจะหักห้ามเพราะเรามีสติทราบว่าสิงเหล่านี้ปล่อยออกไปปลงออกไปมันจนทุกข์แต่จิตแก่ใจไม่ทําจิตใจให้เกิดอสติในเกิดปัญญาไม่เสื่อมวิชาวิมุตหักห้ามป่าเต่ามันออกไปตั้งใจบริตาม เห้มันอยู่กับธรรมบริกรรมจะหักห้ามไม่ให้ใจิตใจไหลปรุงไปตามอารมณ์เหมือนนั้นนี่คือการหักห้ามจิตใจที่ออกไปแล้วเกิดทางเสียหายจะ ห, ออหากออกไปที่เจรนาจีงต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ จิตับใจทั้งตัวพ่เรนาเกิดอาจเกิดทมขึ้นเห็นมันออกไปที่เรนาดูอ น, นิจจังธรรมไรตังมันถาวรของรูปของเสียงต่างๆมันออกไปอย่างนั้นมันเกิดปัญญานำธรรมะ ม, มาสอนใจที่ออกไปหา ร้ายได้นาบำรุงบานช่องของตัวให้เดี๋ยวออกไปท่องเขี่ยวให้เสียหายให้เดี๋ออกไปนำภัยอันตรายมาให้นั่นก็ควรปล่อยออกไปทางที่เจรนาเป็นทางปัญญาทางละกิเลสแต่ท่าหัด ไปในนี้ขอบมีเิดมีฝั่งมีฝาในมีโอกาสเวลาจับบ้านไปอย่างนั้นมันก็ทำความเสียหายทันทีให้จับเข้ามาเวลาออกไปแล้วให้จับเข้ามาบ้างคือเข้ามาหาความสงบภายใน เมื่อมาพักผ่อนแล้วออกไปอีกทำอีกการงานที่มันยังไม่เสร็จไม่สิ่นทางโลกเป็นอย่างไรทางทำกว่าทำนองนั้นาทำได้อย่างนี้ท่านจึงว่าเป็นสมมาทิฏถิทำเห็นชอบเป็นสมมาสมาธิดือยความตั้งใจชอบถ้าออกไป ไม่มีสติเสืเ่อตาไม่มีปัญญาติตามแม่สอนติดสอนมันไปเกี่ยไปเสียอย่างไรก็ไม่ทราบมันกลับมาเมื่อไรก็ไม่ทราบมันได้อะไรจากการที่การฝึกฟงใจก็ไม่ทราบแบบนั้นมันเสียหายในที่บัดในเต่าหน้าต้องดู ของรักษาเพราะจิตใจเป็นของมีคุณค่าจิตใจเสียจิตใจชั่วหมดคุณค่าหมดสาระในตัวถึงรูปสานจะดีขนาดไหนใจชั่วใจเสียเยรื่องนี้ริตจิดมนุษย์ใบบ้าไปแล้วสมบัติ ทางนกที่มีอยู่ก่อรักษาไม่ได้จิบหาวคนที่ตัวของตัวเองก่อรักษาไม่ได้คนถั่วไปก่อนตหนิมินทาคนบ่าคนบอไม่มีใครสาดธนาตัวของตัวเองก็ทุกเพราะรักษาจิตของตัวรักษาอารมณ์ของตัวไม่ได้ เราจะหวนวายตังวนมาเคยเห็นความเงบเย็นมาเคยเห็นความละถอนที่เลย์นี่คือไปในทางขั้วทางเสียที่เลยเถิดเลยแดนเลยฝั่งเลยสามันเป็นอย่างนั้นถ้าจึงให้รักษาแต่มันไปมีฝั่งมีฟ้าไปหาสมบัติมา เสียสอนใจของตัวนั้นทางเรียกว่าวิปัสสนาคือเป็นทางที่จะนำพาให้จิตให้ใจเกิดสามแจกสไยละถอนีิเหลหนี่ก็เป็นเรื่องของจิตแต่ละท่านแต่ละคนที่เจรณาอะไรก็ได้ถามันรู้เริงเห็นจริงจิตนั้นคิด ขณะของมันมันจะทราบจะเข้าใจมันเป็นอย่างไรที่มันทิศจะเื่อมเดิมของมันไปเพราะพราะเรามีสติมีปัญญาสอนตัวดูเรื่องของตัวมันเป็นไปอย่างไรก็ทราบภายในรู้เรื่องของตัวมันเฉวมันเสียมันดีมันยิ่เสียอย่างไรก็ไม่ทราบให้ เพาไปดูเรื่องของตัวแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นมาเพราะอะไร